ถ้าเป็นพระชอบบอกบัตรบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามที่ว่าพระบัดพระเบอร์พระเสียรครอะพระจะดอกครอะพระมีเลือยั้ยามดีหล่นี้ก่อว่วงแน่ตั้งแต่พระ พระขององค์สมเร็จพระภูมีพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไรจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกปารหันพระสาวกปรหันขึ้นมาหนึ่งพระขั้งพุทธการ รัสมัยของเรานี้เป็นพระสมัยใหม่มีทุกอย่างแม้ตนเองก็ยังไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งๆที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการงานด้วยกันกับครังพุท ธ, ธากาลแต่ว่าการงานทุกทิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบใจ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 แต่โอวาตซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคืออวาสของกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกๆท่านเมื่อเรามีความใครหรือฝ่ายใจต่อโอวาตซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาสที่จอมปลอมนี้แล้ว ความเคลื่อนทางกายวาจาใจทุกๆอาการจะต้องกลายเป็นเรื่องของปรอมจากพระโอวาทคำสอนของพระพธธุทธเจ้าไปหมดใน ม, มีอันใดที่จะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจและความเคลื่อนไหวทุกๆอาการของพวกเราผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเดินตามรอยแห่งเหตุที่ตนได้ดำเนินไปแล้ว เหตุแห่งพระพธธุทธเจ้าก็ดีเหตุแห่งสาวกก็ดีที่ท่านดำเนินองค์ของท่านมาจนปรากฏเป็นเจรณะของพวกเรากับพวกเราทั้งหลายที่ได้เปล่งวาจาว่าเป็นพระของพระพธธุทธเจา้าเป็นพระสากยบุตรจะเหมือนกันหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับโอวาทของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปกครองจิตใจของเราและโอวาทอันจอมปลอมซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราทั้งวันทั้งคืนขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานะถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราแล้ว เราก็จะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ยางโดยสิ้นเชิงคือสาวกอัจฉริยแม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานานานหรือไม่านานไม่เป็นปัญหาอนไรกับท่านผู้บำเพ็ญตนของตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตน เป็นลำดับลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดหมายปลายทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเดกทรงประทานเอาไว้เราจงตัดสินใจของเราว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใดโอวาทที่สำคัญที่สุดซึ่งครามสอนตนทั้งตนอยู่ตลอดเวลา คือว่าที่เกิดมาจากวัตถะครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็าตามธรรมชาตินี้เป็นครูโดยลำทังตนเองเพราะความเชี่ยวชาญในทางนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันความเกิดเกิดตายตายเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกัน ไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตาเ น, นือ้อว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเทียงหรือวัดเบี่ยงกันได้ถ้าเราเป็นผู้มุง่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วจงเป็นผู้หนักในพระโอวาสซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมา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 ถ้าเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเราซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้ เ, เราจะเปลี่ยงวาจาว่าเป็นสิทธิ์ของพระถาทิคก็สักแต่คําพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสมหวังตามคามพูดของเราว่าเป็นสิทธิ์ของพระถาคิคเจ้ายิ่งทุกวันนี้ไปในที่ไหนไหน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 มาเป็นเครื่องกดดีบังคับหรือเป็นครูสอนตนนีเป็นจิิงที่จะทำให้เสียหายถึงกับลืมพระโอาวาทของพระพทุทธเจ้าและเห็นพระโอาวาททั้งหมดกลายเป็นฆาาศึกต่อตนเองด้วยแล้วกลายเป็นฆ่าศึกต่อตนดวมกลายเป็นฆาาศึกต่อโลกทั่วทั้งนินแดง แท้ที่จริงพระอาวาดคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาวาสที่จะระงับดับไปความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นให้ระงับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งสอบพระอาวาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติตามเมื่อได้สดับ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 ที่ดำเนินตามสวขาตาธรรมซึ่งพระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วการปฏิปาทาคือข้อดำเนินทุกทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระสัธาคตเจ้าในครั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคำว่าสวขาตาธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้น ว่าท่านองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นั้นสําเร็จพระสกิทาองค์นั้นสําเร็จพระอนาคาองค์นั้นสําเร็จพระอราหันต์อยู่ในที่นั้นๆั้นมีผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสมุขาถ ธ, ธรรมกลายเป็นนิยาณิกธรรมต่อตอนเองยังผููปูพืชปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้ ทีนี้ทำทั้งหมดที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นสาวกทั้งหลายดำเนินตามปรากฏผลตามที่อธิบายมานี้มาสมัยทุกวันนี้พระเป็นพระของศรัทธาเก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนบวช ด, ด้วยกันดังนั้นพุทธทางธรรมังไซนังพัชชามิแม้แต่สามเณรก็ไม่เคยละเว้นก่อนที่จะถือเพศ เป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอิทพระปูนไปหมดเป็นพระหนังสือพิมพ์เป็นพระวิทยุเป็นพระโทรทัศน์เป็นพระบัดพระเบิร์เป็นพระสะเดาะเคราะ์สะเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาป เป็นพระผู้รู้ดีรู้ชอบในมื้อดีเดือนดีวันดีกลายไปอย่างนั้นเสียมากแล้วพระประเภทที่กล่าวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าโดยชอบธรรมหรือเป็นพระปลอมถ้าปลอมด้วยความประพฤติปลอมด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะจัดว่าเราเป็นพระที่ชอบทำได้หรือไม่ผลที่จะพึงได้รับจะชอบทำหรือไม่อีกเหมือนกันนี่สมัยทุกวันนี้เป็นพระอย่างนี้โดยมากขอให้ท่านทั้งหลายได้สํานึกตัวเสมอสิ่งเหล่านี้โลกนำไปปฏิบัติหรือโลกเขามีเป็นประโยชน์สำหรับโลก แต่ทางพระเมื่อนำของที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติหรืมาสนใจยอมจะเป็นไปทางความเสื่อมเสียเป็นไปเพื่อความพุ้งเพ้อเห่เหม เ, เป็นไปเพื่อความวุ่นวานนําขาดเป็นไปเพื่ออารมณ์แห่งจิตใจสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่พระองค์เจ้าทรงประทานเอาไว้กลายเป็นเรื่องความ มั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียเลยมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องติดใจยิ่งโทรทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยนี่โลกไม่เป็นไรดูทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่มีความเสียหายเพราะเรื่องของโลกแต่เรื่องของทำแล้วต้องมีความเสื่อมเสียลงเป็นลำดับก่อนที่เขาจะปิด เราต้องมีรายการบอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างนี้ทุกทุกวัดแต่เราผู้ที่เงียหูฟังยิ่งกว่าพระอวาชคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจเมื่อเขาประกาศรายการทีร่ฟังพอถึงเวล้วนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้น แม้จะมีกิตทุระอันใดจําเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามในหน้าที่ของสมณะาต้องปล่อยวางเสียทื่อไม่มีอันใดเหลือถึงเวลาทำวัดทำวาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็าต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิของภาวนาจิตจึงกระเป็นโลกตลอดถึงอาการของกายของวาจาทุกอย่างเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเสียทั้งหมดแล้วเราจะหาพระความสงบเยือกเย็นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหน เมื่ออาการทุกอย่างนับตั้งแต่ความเคลื่อนไวหวภายในใจออกมาจนกระทั่งถึงกายถึงวาจาทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวเป็นไปเพราะเรื่องอย่างนี้เสียเต็มที่แล้วเราจะหามาผลนิพพานที่ไหนมาพ้ามาผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การปฏิบัติหรือการบวชในพระศาสนามุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลหรือมัวหมองจากจิตใจของตนให้ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจ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 นอกจากจะเป็นที่ดูถูกเกลียดหยามของประชาชนเท่านั้นไม่เห็นมีอันไนขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวช ท, ทรงไว้ซึ่งกาสาวพัสอันเป็นเกียรติมาจากองค์สมเด็จพระผูาา้มีพระภาคเจ้าทําไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องพระกับญาติโยมไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเพราะผ้าเหลือง อยู่ในร้านตลาดมีถมไปเพียงจะผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งสาเร็จประโยชน์แล้วในร้านเจ็ดมีมากเท่าไหร่เขาไม่จาเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความร่วมสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความร่วมสายเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเพื่ เพราะพระมีลงดิเจละคร อ, อยู่ในอยู่ในกุติคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในวกุติคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุติคือเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่องเหล่านี้มีถมไป <c oughs> ในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไฟไปบรรทุกก็ไม่หมดไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรดาศรัทธาทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อมสายได้ จากจิตการของพระที่ทําโดยวิธีนี้และจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่องไหนเมื่อเราที่ปฏิญญาณตนว่าเป็นศิษย์พระราาคตโดยเทเส้นนี้แล้วนํากายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่เช่ น, นี้แล้วจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศ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 นี่เราทั้งหลายเป็นกันศาสนากำลังจะล่มเหลวล่มเหลวในตัวของเราอีงในคำพีที่ได้จารลึกหรือพิมพ์เอาไว้ตู้ไหนยังมีอยู่ไม่เคยบกพร่องแต่มันบกพร่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเข้ามาไว้ใจตนได้ที่ไหนตัวก็ร้อนโลกก็ร้อน ต่างคนก็ต่างเอาไฟมาผสมเสมกันจะหาความเย็นมาจากที่ไหนเขาร้อนวิ่งมาใหาเราให้เราก็กลาบเป็นเพลิงทั้งกองไปสียไม่ทราบว่าใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้พระพุทธทเจ้าปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของโลกสาวกปรากฏว่าเป็นเชนะของโลกเป็นที่ล่มเย็นแม้เขาจะยังละกิเลสไม่ได้ก็ตามขณะที่เขามาเฝ้าพระพุทธทเจ้า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 แม้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็าตามเพียงเขาเข้ามาพึ่งพึ่งร่มเงาเท่านั้นเขาก็จะรับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์เห็นแต่นังซื้อผิวนังซื้อเผื่อพูดออกคำใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นงสงฐานไปหมดวิยาที่ทาทั้งหมดเป็นอาการของคารวา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 พระพธธุทธเจ้าขอาุบัติขึ้นในโลกแล้วอาศัยโลกเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันพระองค์ปรินิพพานไม่เคยมีความอดอยากขาดแคลนเ พ, เพราะโลกเขาไม่สนใจพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิต จ, จิตใจความเป็นอยู่ทั้งหมดออกมาจากโลกคือญาติโยมทั้งนั้นเป็นผู้อุปถรรัมภูแลด้วยความสนุกสนใจเครื่อยต่อบุญต่อคุณจริงๆเพราะ พระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างองของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไรแล้วจะทําความล่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลา ขอให้คำหนึ่งให้มากมีอะเรื่องของศาสนาล่มจมล่มจมในนักบวชเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อเขาจะว่ายังไรก็ก็ลำบากราะเห็นแก่พระผ้ากาสาวพันเมื่อทำไปกินไปเคยไปก็กลายเป็นเรื่องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าใครจะตำหนิติชม ในความประพฤติของต้นเพราะความเคยชินฝังอยู่ที่หัวใจเลยกลายเป็นโรคไปเสียทั้งดวงในใจดวงนั้นนี่แล้วต้องคิดดูใจของเราเพียงเราจะกล้าเข้าไปสู่วัดหาครูคบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะกล้าเข้าไปเราต้องคิดจนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะกล้าเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหน เมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความร่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกําลังเพิ่มจิตใจของเราถ้าได้รับความเชื่อความหลงใสมากน้อยเท่าไหร่เราต้องคำหนึ่งแล้วทุกๆคนคิดอ่านใจตรองดูอย่างชัดเจนหรือแน่แน่ภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ที่นี่โลก มีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกันร้อนใครก็ต้องทราบเย็นก็ต้องทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถานที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไรและในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเขาก็ต้องทราบหัวใจของเรามันร้อนเราพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกๆคน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 เป็นเครื่องปกครองแล้วเป็นผู้มุ่งต่อความสุขโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วพ อ, อย่องเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครจะสามารถให้ความร่มเย็นในตัวเองด้วยได้ด้วยและจะสามารถให้ความร่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่สองได้ด้วย นอกจากจะทำตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้วจะให้ความร่ ม, รมเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันมากิหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำความร่มเย็นในพระถัยของพระองค์เองแล้วก็ทำความร่มเย็นแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดจกนกระทั่งถึงวันนุพพานสาวกทั้งหลายก็ทาหน้าที่ให้ความร่มเย็น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 และจะไม่มีทําอันใดที่จะให้ความล่มเย็นแก่โลกนอกไปจากความล่มเย็นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วทายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความล่มเย็นแล้วมาอาศัยพึ้นถึงกับครับจะเป็นการเป็นคราวก็าตามหรืช่วระยะหนึ่งก็าตามจะให้นอกไปจากโอวาทคาสอนคําพูดพระพเจ้านี้ไม่มี คำว่ามัจจิมามีความหมายแค่ไหนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตายตัวอยู่เสมอไม่ปรากฏว่ายักย้ายหรือผันแปรไปจากความเป็นมัจจิมาถึงความเป็นอื่นแม้แต่บทเดียวบาตรเดียวคาถาเดียวในบรรดาพระอวัตที่ทรงประทานไว้แล้วเหตุใดผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเท่า หรือจะหาว่าพระศาสนาเรียวแหลมอะไรเรียวแหลมถ้าพูดถึงเรื่องถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกพร่องอะไรท่านบอกให้กําหนดรู้ทุกข์พิจารณนาเรื่องทุกข์จะเป็นหินนับปัญญาให้คมกล้าสามารถจะตัดเยื่อตัวรุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัววิชชาได้เนี่ย ก็มีอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมดถ้าเราสนใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาบังคับหรือกีดกันเป็นไม่ได้เพราะคำว่ามัติมานั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครๆเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอศูนย์กลางทั้งข้อปฏิบัติศูนย์กลางทั้งผลที่จะพึงได้รับไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก สวัสดิคาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างตายตัวขอ้พากันสํานึกในตัวสําไม่เช่ น, นั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิต จ, จิตใจไปวันเล็กวัน น, น้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคาแม้อวัยวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลาย จากกันไปก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ออกจากรก่างนี้แล้วเขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นและจะทำประโยชน์อันใดได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์พระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิบัติทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สำหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วสุกุกิเท่านั้น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 แล้วจะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติคือความบริจิตขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ไม่เสียทีที่ได่ทรงผ้ากาสาวกปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับทั้งเหตุที่ชอบพระของพระพุทธเจ้าก็ดีพระของสาวกก็ดี ได้ปรากฏขึ้นจากความทวนกระแสแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากตามกระแสแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสแห่งโลกอยู่น้ำบัดนี้กระแสแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนนักใคร่สิ่งนั้นยิ่งนัก นี่เพิงทราบว่าเดินตามกระแสะแห่งโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะหัวใจย่อมเป็นความหมุนเย็นต่อตอนเองหลอกลวงต่อตอนเองเสมอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวหิดแล้วหมุนตัวเอง ให้เป็นไฟเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีรียากว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนแต่เราอย่าไปสาคัญว่าโลกนั้นได้เป็นค่าศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นค่าศึกต่อกายทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นค่าศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจ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 เืออนิยามนี่ก็ทํานาตนให้พ้นจากทุกข์โดยไถ่เดียวเท่านั้นสาวกท่านเดินอย่างนี้ไม่ใชยเดินากแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับรูปกระทบกันก็ถอยเพื่อความติดพันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อออกมาสู่ความติดพันฟินนอส เครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าใ น, านาภายชนะภายในคือจมูกดิ้นกายและธรรมารมณ์กระทบกับใจถอยเข้ามาสู่ความท้อแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดีนยินไายถอยเข้ามาสู่ความติดทันในตนเองไม่ได้กล้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นยิวตะ แก้ไขตนเองให้พ้นจากกองจากที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะเห็นนั้นจริงว่าพระพุทธเจ้าและสามกท่านเดินไปเพื่อความกระหารก้าวหน้าไปเสมอพวกเรากรงวนก้ามกับถอยหลังเสมอไปสิ่งใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ น, น, นี่ฟึงทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้า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 มาเกิดขึ้นมาแก่ความทาลัยในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเกิดขึ้นมาด้วยความสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราตั้งหนาได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างใดเข้ามาประดิษฐานไว้ที่ ห, หัวใจจะสมว่าพุทธังส น, นงกัจฉามิ พระพุทธเจ้าเป็นรนะของเราที่แท้จริงได้ทำพระพุทธเจ้าท่านขี้ไว้อย่างไหนเราก็ต้องนาเนินสาวกท่านดําเนินอย่างไดจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บิมุทพระนิพพานพ้นจากแก่งกันดานนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเย็นเกิดเย็นตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไหนแล้ต้องนํามาเป็น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 ความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโลกเสืยสิ้นไม่มีความสนใจใคร่ต่อตอัดต่อทำคำสอนคำประพฤติกล่าวแต่อาศัยชาวบ้านเขามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาศาลาอยู่ในวัดก็เขาสร้างให้ขึ้นให้อยู่กุฏิทุกหลังเกาเป็นญาติญาติญติโยมเขาสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทํางานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปเสียให้ผิดจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทําตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระพูทธมีพระภกากเจ้าทรงประทานไว้ นี่กลายเป็นอื่นไปเสียชะนี้เรียกว่าพระกาฝากทําบ้านทําเมืองให้ล่มจมไปได้และทําพระศาสนาวัตรอาวาสตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าเป็นพราบประเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาฝากเป็นผู้เกาะชาวบ้านกินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้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 ซึ่งเป็นข้อข้องใจอันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างๆมาเป็นเครื่องขยุงน้ําใจแล้วแล้วปฏิบัติตามพระโอาวาสของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่เล้าลานให้กลับกลายเป็นของดีขึ้นมาช้าได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอาวาทนั้นเป็นคุณแก่โลก ผู้ใดซึ่งเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติตามตนป ร, ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอาวาสก็กราเป็นพระญญกุณยคุณยคเขตขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลี่ยฉล า, าดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไหร่โลกก็มีความร่มเย็นมากพระมีมากเท่าไหร่ โลกก็มีความร่มเย็นมากเพราะเหตุใดก็เหมือนกันกับว่าวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยหรือองการบริโภคมีมากเท่าไรก็ทำความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดเครียอกันดาล น, นี่แต่ถ้าตรงกันข้ามมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คำว่าพระคือนักบวชเหล่านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวก็หาไม่ยังกลายเป็น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 เป็นไปได้เพราะเหตุนี้นี่คือพระเป็นค่าสุดไม่ใช่เป็นบุญญเกตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญาเกตของญาติอยู่มีบัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชในพระศาสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญเกตของตนเมื่อต้องการให้เป็นบุญญเกตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญเกตของชาติบ้านเมืองของศาสนา ของประชาชนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองด้แล้วไซจงเป็นผู้มีความสนใจใกล้ต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกลียดคร้านอย่าเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อตัวของตัวเองและเป็นค่าศึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของดีจงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดถ้าผิดแปลจากความเป็นสมณะ ให้รีบหมดเว้นทันทีดําเนินตนของตนเป็นไปในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคําสอนคำของพระุธเทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้พลอยได้รับความร่มเย็ยนเหมือนอย่างเราได้รับความร่มเย็ยนจากโลกอยู่ทุ ก, ทกวันนี้พุทธิสาราที่พักที่อาศัยได้ละเป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองเจตุปัจจัยทุกๆกทิ้นที่ได้ครองตัวอยู่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงมันมี ทั้งแลตั้งแต่ได้มาจากญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้และเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยวิธีใดเราไม่ทำไรทํานาแต่เราก็นาของเราคือบุญญักเกตในตัวของเราเองโลกเขาไม่เป็นบุญยักเขาไม่บวชในพระศาสนาเขาก็ต้องอาศาัยเราได้ในเมื่อเรามีบุ ญ, ญยักเกตภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเขาเราอาศาัยเขาถึงแม้ว่าเราไม่เป็นฆราวาสเขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้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 ใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจได้เกี่ยวความคาย่าตนของตนเสมอแม้ว่าน้ําถ้าได้รับกุบความคายเหยาวคายเหยาวคายเหยาวอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไหร่ก็ต้องขุน่นมีใจของเราธรรมชาติเขายิ่งขุนมัวอยู่แล้วเขายิ่งมีความคยเหยาวายเหยาวทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส เมื่อคลุกคล้าวเป็ข้าแล้วกระจายเป็นน้ําขุนขึ้นมานี่เมื่อน้ํามันขุนขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้นล้วนแล้วจะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาดสงบงเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไรเรานี่าใจของเราเป็นธรรมธรร ม, ามตามพระาวา่าธรรมสอนครั้งพระโพธเจ้าท่านบอกให้ฝึกหัดหรือฝึกผลทรมาน จ, จิตใจ เราก็ต้องทําตามพระโอวาสมีบทธรรมเป็นรั้วกัน้นมีบทธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีสติเป็นเครื่องกดขีบ่บังคับมีปัญญาเป็นธรรมชาติเครื่องสองทางจิตดําเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบโดยถ่ายเดียวจะไม่เป็นโรคขึ้นในตัวของตัวเลยนีพระพธธุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเพราะท่านดําเนินตามธรรม สาวกท่านเป็นธรรมท่านดําเนินตามธรรมอย่างนี้เราต้องการเป็นธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระโพธิเจ้าเคยได้ปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดําเนินตามพระโอาวาทันแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไหนและไม่มีในคำํำพีใดด้วยและยังจะไม่มีในในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอาวาทคําสอนของพระ เ, เจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วเราจะค่อย กระายตัวเป็นธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งความกดขี่บังคับตนเองแนวจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจนาไกรกรองในความเป็นอยู่ของตนในอวัยวะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้ชัดดูทั้งภายในดูทั้งภายทั้งภายนอก ในส่วนแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอัตตาแฝงหรือคัดค้านทำพระพุทธเจ้าขึ้นมามีไหมเราต้องดูให้ดีแล้วมีส่วนใดที่จะเป็นความสุขฝืนจากทำพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีไหมมีธรรมาชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถามวอนสามารถที่จะคัดค้านทำพระพุทธเจ้ามีไหมในสกุล ก, กาของเราทุกทุก้นค้ น, คนดูมันก็เต็มไปด้วยใจร เมตังแต่ทำทั้งแท่งทั้งนั้นใจของเราที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าฝืนทำทั้งแท่งจึงกลายเป็นโลกทั้งแท่งขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับก็คือไฟเผาตัวเอกนี่เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ในป่าก็ร้อนในวัดก็ร้อนเข้าในบ้านก็ร้อนอินมก็ร้อนหิวก็ร้อนหนาวก็ร้อนร้อนก็จริงร้อนเลยร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนที่ภายในจิตใจไม่มีวันต่างไม่มีวัน ที่จะบรรเทาเบ า, บาบางไปได้เพราะไม่มีน้าที่ไหนหจะมาดับไฟตวงนี้ได้นอกจากน้ำธรรมโ อ, รรมโอดสถดเท่านั้นคือเราประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาททาขอนของพระโทธิจักจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่าง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 นี่เวทนาก็คือตรายลักดูให้ชัดไม่เที่ยงแต่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นตรายลักเวทนาก็เป็นตรัยลักษ์เอลน่ีนจังทุกขังนาาันตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยของเวทนาเป็นตรัยลักทั้งนั้นสัญญาก็เป็นตรายลักสังขารก็เป็นตรัยลักแต่และอย่างในอย่างเป็นตรายลักษอย่างสมบูรณ์พิจารณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้สอดส่องคน้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับ รักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราจะเอาอะไรปิดบังนี้ลับไม่ได้เลยอำนาจของปัญญาแทงตะลุไปหมดตลอดถึ้งโลกธาตุไม่มีอะไรสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้จิงงใดๆจะว่ามีอิทธิศรานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อานาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุ ก็จุ่กระจาไปหมดเห็นชัดขึ้นมาด้วยตนเองขอให้ค้นให้พิจารณานะีน่ละทางดำเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้เพื่อความเป็นสาวกอรหันท่านก็ดำเนินอย่างนี้เราดำเนินตามแถวแนวแห่งพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินไปแล้วและได้ประทานไว้ให้พวกเราแล้วอย่างนี้ เราจะผิดพลาดจากหลักความจริงหรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าหากว่าดำเนินไปตามสวขาตธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยานิกระทั้นท ำ, นนทำคำสอนของบุริเจ้าจะเรียกว่าสวขาตธรรมไปไม่ได้ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราจงเป็นผู้นักวิภาคษีิจารตั้งสติเสมอไป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 สภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชัดเจนฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแต่ละอย่างละอย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญาอย่างลงไปนแล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณว่าเป็นตนอย่างไรนะแล้วจะไม่เห็นกระแสะของกิจซึ่งพุกพล่านในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจร อะไรแล้วเป็นตัวฆ่าศึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นฆ่าศึกเวทนาสั้รูปเสียงกลิ่นรสเสื่อมสัมผัสเป็นฆ่าศึกพิจนาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็ากินอยู่เท่นั้นปัญญาเห็นชัดแม้ถอยตัวเข้ามาพิจณาในรูปเวทนาสัญญาของเส้นขาดของตนวิญญาณของตนว่าเป็นตัวฆ่าศึกตะตนพิจารณาลงไปอีกไม่เห็นชัดอีกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาวนซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นปิดกันแต่อย่างไรเนี่ยอะไรแล้วเป็นตัวโจร อะไรเป็นผู้คว้าอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงอะไรเป็นผู้หมุนไปนตามผู้เวทนาสัญญาสังขารานและถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นตนไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาดวงเดียวคือภู้รู้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้นะ่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ถางป่าถางโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องป ก, ป, กปิดธรรมชาติ น, นี้ด้วยปัญญาถางดูรูปให้ชัดเวเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสให้ชัด ฐานข้าถากฐานเข้ามารูปเวทนาสัญญาตั้งขันอย่ อ, อย่างตนให้ชัดฐานลงไปชัดเท่าไหรก็ยิ่งจะเห็นกระแสก้องใจชัดแล้วก็จะได้ปฏิเสธในสภาวะตั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวตัณหาไม่ใช่ตัววัตจักรแต่อย่างใด น, นอกจากผู้รู้นี้ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันต้องเห็นชัดแล้วผู้รู้นี้เป็นอะไรอีกกําหนดลงไปมันก็เป็นลักษณะ เป็นตรนักอีกเต็มตัวเหมือนกันนั่นเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวคงจับได้จึงเป็นโลกได้ถ้าไม่เป็นตรนักจะเป็นโลกหรือจะเป็นสมมุติไม่ได้ต้องเป็นวิวิมุตตปนี่ธรรมชาติอันนี้จึงจ้งว่าเป็นสมมุติอยู่เพราะธรรมชาตินี้เป็นตรนักค้นดูให้จีกําหนดตัวให้มันชัดผู้รู้มันเกิดความดีความชัว่วเกิดขึ้นมาจากไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากภูรท่านั้นปัญญาอย่างลงไปพู้ยานางไป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 จนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทำลายไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นอีกนั่นแหละธรรมชาติที่เป็นยมุตรจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเสกสรรนั่นเรียกว่าทำหมดปัญหาเรียกว่าทำเปิดเผยเราถากถางสิ่งทั้งหลาย เข้าไปโดยลำดับๆก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกบาบังสิ่งที่อัศจรรย์ไว้เมื่อถาคางเป็นลำดับๆด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้าแห่งวัฏจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทำลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรที่ เมื่อธรรมชาติที่เหล่านี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเาหล่านี้หมดไปใครที่รู้ว่าวัตจักคือตัวอวิชานี้หมดไปทิ้น ไ, ไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่าวิวัตต์เราจะมาเราเป็นติดพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าข็อตามเป็นสิทธากุศหรือไม่สิทธะกุศไม่เป็นมัญหา ไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาคำน้ำหลิคิดเอาเฉยแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผลเห็นอย่างพระพุทธเจ้าว่าในตรัสไว้ว่าใครผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอาาราตัตผลไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคำพูดเฉยๆต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติ ด, ด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นติดของมรหัตโคตเจ้า ล้วเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระศาสนาเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องทีง่เปียงเป็นกสิพยานได้อย่างชัดเจนนี่ขอให้พากันดาเนินตามทางที่เราอธิบายมาแล้วนี้คาที่ว่าวิมุตติพระมิพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกันกบพระโอวาทที่พองค์เจ้าทรงวางไว ขอให้ำเนินแบบตายตัวส่ะเป็นล่าตายเข้าไปสมบัติอันล้นค่านั้นจะไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านมาได้ผูกขาดเป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดำเนินตามส ข, ข้าษิตธรรมธรรมานิยานนิยธรรมหรือตนของตนออกจากมตจักจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความบุญ้น การแสดงธรรมเทศน์แสดงธรรมคาสอนคำปฏิจจาวิ่าเผื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดูเป็นหลายท่านหลายองค์และได้แยกโยกด้ามาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนําไปที่พิจารณาและปฏิบัติตนต่อตอนเองด้วยความเป็นภูนักเหตุของตน ต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญญเขตของมรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่วมเย็นจะเป็นที่พึ่งกิจพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นบุญญเขตแล้วจงเป็นผู้มีความมรึกถึงคําว่าบุญญเขตของตนนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วบุญญเขตของโลกจะเป็นข้อที่สองเกิดขึ้นมาในบุญญเขตอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานทีพ่พระธรรมเพจจนานี้ ขอบุญญาณุภาพของมสมเด็จพระภูมิก็ภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมเน่ระสง์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกกาสบาใจทั้งปฏิปทาเครื่องลำเนินเป็นไปตามพระว่าธรรมสอนน้องโธดจ้าจนถึงจุดหมายปราฐานคือแดนแห่งยมุตหลุดพ้นไปได้โดยเดีประดันทุกท่านเธอ